ของเราก็ทําวัดกันจบแล้วอีกวัดหนึ่งก็ยังทําไม่จบเราก็ได้ยินกันอยู่ก็รู้สึกว่าจัดงานปฏิบัติธรรมแบบแนวหลวงปู่เทียนก็ไม่ได้หมายถึงว่าแปลกแยกกันจะหมายถึงว่าศรัทธาสิ่งเดียวกัน การในวัดำวันนี้ก็กลับมาวัดก็ลงเครื่องมาหาอาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลก็กลับผู้หลงแต่ว่าก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่ก็ได้คุยกันว่าไปไหนมาบอกไปแลนดมัก เป็นการอบรมที่เทวดาหรือว่าคนที่อยู่บนสวรรค์นะครับปฏิบัติธรรมกันแบบนั้นจะมาอยู่แบบฟัดวาลาหนะ์อย่างวัตตาสกโตนี้ก็คงจะอยู่กัไม่ได้มีแอร์เย็นๆห้องใหญ่ๆ <c oughs> คนสะอายสะอ้าน ไม่มีเหมอนขาวกลุ้งมีเครื่องหอมอดทินผิวผ่อนชันดีก็มีระดับผู้นำละกัดาราคนมีความสำเร็จสี่ร้อยคนนะนะสองวันครึ่งคนลงทะเบียนก็ต้องหนึ่งหมืนบาทสี่ร้อยคนก็เท่ากับสี่ล้านบาทสองวันครึ่ง เกิดปัญญากันมากมาย <Yeah. S 2> มีการชี้นากันอย่างเช่นเขาชี้ว่าสมองนี่มีหน้าที่คิดอย่างเดียวเลย <Yeah. S 2> แล้วันคิดก็มันเองด้วย <Yeah. S 2> สมองมันมีการคิดขึ้นมาก็จะต้องมีการกระทําเกิดขึ้นมาทันที <Yeah. S 2> พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ <Yeah. S 2> ตัวคิด เ, เป็นอาการของสมอง ก็เรามีปัญหามากมายครเนื่องจากเราไม่คยรู้ปัจจุบันนะครับพูดถึงเรื่องปัจจุบันไม่รู้ว่ามันกำลังคิดไม่ใส่วงเล็บความคิดเนี่ยส่วนใหญ่ความคิดมีค่าเราก็จึงต้องทําตามความคิดโดยตลอดเว ล, เ, วลเวลาไม่เคยใส่วงเล็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อน สมองจะดีก็ต้องพยายามคิดในสิ่งที่เป็นความดีความงามให้คิดแบบนั้นอะไรที่คิดแล้วมันมืดๆ ด, ดำๆหนักๆทาให้ไม่สบายใจก็ต้องไม่ให้กระแสตรงนั้นประจุไฟฟ้าตรงนั้นทํางานมากๆให้ประจุความดีที่ทําให้เรามีความสุขทํางานมากๆ ก็พูดตามภาษาของเขาแต่ภาษาของเราลาช่วยทำดีทำดีมากเท่าไหรนะ่ก็หมายถึงมามืดอ ด, ด ำ, ดำความไม่ทุกข์มันก็เกิดมามากเท่านั้นแต่จริงๆเราก็จะเห็นว่าการทำดนะีถ้าวางไม่เป็นมันก็ทุกข์ได้เหมือนกันทำดีสั้างน้ำตา บ้านที่ไปพักนี่เป็นบ้านที่เขาทำดีกันนะทุกกระเบียดนิ้วศานะสดาจารย์นายแพทย์เกียงศักดิ์จิรแพทย์กับศาสดาจารย์ดนะรนะบีนาจิรแพทย์พนะรากฏว่าทำดีแต่ว่ า, าทุกใจนะเช่นเป็นคณะกรรมการรนะะดับบริหารบนๆที่จะเลือกสรรนะผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยซึ่งรอนละอุ เราได้เห็นแล้วเขาก็มีความทุกข์นะกับการทําดีร้องไห้กับการที่มีฝักฝ่ายการปกครองอีกฝ่ายนึงเป็นอีกสีหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นอีกสีนึ ง, น ง, นนงแล้วก็ตกเถียงกั น, นก็กระโยชนในจํานวนของคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงมากเป็นภาระ ก, ก็ทุกข์นะ พอมาถึงบ้านก็พลังหมดพลังหมดมีคนที่เครารพศรัทธาก็เอาพลังของวัตถุมาให้เช่นพระธาตุอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหล่าของสารีลิขธาตนะุพระบระมาาธาตุของสมเด็จสมมาวัชเจ้าแล้วก็เหล่าของพุทธสาวก ต, ต่างๆโมคคะลาสาลีบุตรนะพระศิวลีมากมายรวมทั้ง อริยสงฆนะ์ที่กระดูเป็นพระแท้หลวงปู่ ม, มั่นอย่าง น, น mm hmm. ก็ก็ชีช้ชวนให้ไปดูถึงความอัศจรรย์ว่าแปลกมากงนได้มาโดยนี่ต้องไปหาแล้วก็ร้องขออ mm hmm. ยู่ๆก็มีคนเอามาให้ถึงบ้าน mm hmm. เต็มไปหมดเลยเป็นคนที่เขาเห็นว่าอยู่ที่นี่นก็จะมีประโยชน์อย่างเงี้ยของที่เป็นวัตถุ ม, มงคล ปรากวันทวีคูณมากแล้วครับก้อนใหญ่โตมากบางทีก็ที่เป็นเม็ดเล็กๆก็มารวมตัวกันเป็นก้อนโตขึ้นมาโดยส่วนตัวไม่สงสัยเลยไม่สงสัยเลยมันเป็นพลังงานวัตถุธาตุเป็นรูปธรรมที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้เป็นภาคทิพย์เป็นภาคละเอียดนมันไม่ใช่ภาคหยาบ มันมีอยู่ตุกพื้นที่มันมีความดีอยู่ตรงไหนเราทำดีพลังความดีมันก็ก่อตัวเข้ามาเราพูดดีคนดีพูดดีกับเราก็เข้ามาเราพูดไม่ดีคนไม่ดีมันก็อยู่มันก็พูดยังไงมันก็โดนตัวต่อแบบนั้นน่ะมันก็เข้ามาแบบนั้นน่ะมันพิสูจน์ได้มันท้าศักดิ์ศิทธิ์มีอยู่มากมาย เมื่อเรามีวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องไปหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ทองก็ต้องไปหาทองดินโครนก็ไปหาดินโคร น, นเพชรก็ต้องไปหาเพชรพลอยก็ต้องไปหาพลอยฐานหินก็ต้องไปหาฐานหินอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องของธรรมชาติมันไม่แปลกอะไรหรอกแต่หลวงปู่เทียนเมื่อเช้าได้พูดไว้ก็ให้ไปบรรจุพระธาตุ ซึ่งเยอะมากเรออยู่ว่าถ้าไปบ้านเขาเนี่ยจะได้บรรจุพระธาตุมีมากมายแล้วเกินพระ อ, อบเต็มไปหมดเลยก็เตรียมไว้หลวงปู่เทียนได้พูดว่าธรรมะที่เรารู้เราเห็นต่อให้วระเจ้าห่อออกมาบอกว่าไม่ใช่ท่านก็ไม่เชื่อหรอก พอท่านรู้ไว้สิ่งที่ท่านมีเป็นอยู่ม่ทุกข์มนะันต่อให้ห่อมาชี้ไว้สิ่งที่ท่านรู้ไม่ใช่ท่านคนใดฟังหรอกนะนะเพราะว่าธรรมะแท้ๆก็คือความไม่ทุกข์เนี่ยเนื้อความไม่ทุกข์ที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันพิสูจน์ได้ปัจจันะก็คิดแ ล, ลวด้วโกรธคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกังวลคิดแล้วว้าวเว่นะรู้สึกเปรี่ยวใจเดียวดายรู้สึกไม่มั่นคงนะ ไม่มีความอบอุ่นนะพอรู้สึกตัวความเป็นปกติจิตปรากฏธรรมชาติเดิมแท้ปรากฏอเียอันเนี้ยมันสัมบัติได้นี่มันเกิดความเป็นธรรมชาติเกิดความเป็นกลางความกลมกลืนกัาการยืดหยุ่นความอ่อนโยนนุ่มนวลทางกายวาจาใจอันนี้แหละคือตัวเราต้องพิสูจน์ไม่ใช่ต้องให้ใครมาบอก ว่ใช่ว่าไม่ใชนะ่เพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะที่กายของเราวาจาของเราจิตใจของเราถูกหยิบ ม, มาใช้ไนดะ้ตรงตามหน้าที่คณะต่อคณะตังนี้แหละที่จะทําให้ดีและไม่ทุกขนะ์ทำดีมันก็พร้อมที่จะวางดีนะมันไม่ใช่ว่าต้องยึดดีติดดนะีจนท้ายสุดกลายเป็นเทพบุตรทลอะอันตายนะก็ดีทั้งนั้นน่ะละนะทุกคนก็มีแง่มีเหลี่ยมนะ มองเป็นสิมุม20่สิมุมอะมก็ได้ทั้งหมดแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เคยที่จะเห็นความคิดรู้ทันความคิดเนื่องจากไม่เคยสร้างมาก่อนความว่องไวของสติปัฏฐานที่มันรู้รอบรู้ตรงรู้ถูกแลคมชัดมันเป็นเรื่องของมาหาสติปัฏฐาน4รู้ทันกายของเราทุกๆขณะรู้ทันเวทนาของเราทุกๆขณะ จิตของเรานะมันไวมากเนตะ็มจะไปตามความคิดนะจิตเจตสิกมันเกิดขึ้นมาอาการของจิตก็คิดเก่งไปปรุงแต่งนะอันนี้ก็ยิ่งนะไกลความเป็นปกติแตว่าปรุงแต่งมันเป็นเรื่องของความหลงพาไปนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราเจตนาคิดนะมันจึงมีเจตนาคิดกับลักขโมยคิด เป็นภาษาของหลงวงพ่อคมเขียนก็คือความคิดที่พุดเกิดขึ้นมามันก็จะไปตรงที่ไปอบรมของฝรั่งของฝรั่งมีความคิดที่เป็นความคิดที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความคิดที่เราคิดเป็นลักษณะของการออกกําลังกล้ามเนื้อสมองตลอดเจตนาคิดอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการเจตนาออกกําลังกล้ามเนื้อสมอง ก็บอกว่าก่อนนอนนให้เราหาเรื่องป้อนอาหารให้มันหน่อยดูซิว่ามันจะได้คำตอบอยังไงหลังจากตื่นนอนอย่างเงี้ยอันว่าก็ลองทำการบ้านของเขาดูเหมือนกันเช่นป้อนไปนว่าสติของเขาเหมือนกับสติของเราหรือเปล่ า, าก็พูดถึงเรื่องสติพิจารณาอย่างมีสติสติของเขาคืออะไรจุดของเราสติ ขณะที่ก่อนนอนคือสติที่ทำหน้าที่นอนอย่างนั้นมันมีสติที่หาเรื่องมาคิดแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนกับเขาเราก็ต้องทาตามทำการบ้านด้วยปรากฏว่ามันก็คิดไม่เป็นหรอกพอมันบอกว่าอลองเจตนาคิดสิว่าสติปัฏฐานเป็นสติที่กลับมารู้สึกตัวพอมันแค่กลับมารู้สึกตัวมันก็ไม่คิดต่อแล้ว เพรความรู้สึกสัมผัสรู้คิดร่วมกันละตัวกันมันก็เออนอนดีกว่าเช้าตื่นมาก็เป็นเรื่องของวันใหม่แล้วจิตมันปกติอยู่แล้วก็เป็นคําตอบอยู่แล้วเช้าตื่นมาเราก็มีหน้าที่ต้องเข้าไปประชุมต่อก็ทําหน้าที่ตื่นในทันล่างหน้าแปลงฟันแล้วก็ทานอาหารจานอาหารให้เรียบร้อยแล้วก็ไปให้ทันเวลาของเขาไ ป, ไปถึงก็เตรียมทําอะไรที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้า จึงเป็นหน้าที่ที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะเพราะว่าเหตุปัจจัยกาหนดเราอยู่มันก็สะดวกมันก็เป็นเรื่องของความเป็นปกติในทุกๆขณะนะไม่เกี่ยวว่าเข้าชุมชนไหนสิ่งแวดล้อมใดเราก็ยังรู้เนื้อรู้ตัวเป็นตัวเดิมไม่เกี่ยวว่าต้องยกมือ14บี่จังหวัดในวัดหรือว่าเดินจงกรมอยู่แล้วพอไปอย่างนั้นเรากลายเป็นว่าฟุ้งซ่านเผลอลืมเนื้อลืมตัวมันก็ไม่ใช่ มันจะเป็นตัวเห็นสอาวาเห็นได้ยินสภได้ยินกลิ่นสภาวะกลิ่นเมันจะเป็นตัวเดิมอยู่ก็คือจิตปกติแล้วก็รู้ว่ากําลังให้เราเกี่ยวข้องกับเขาด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังตามก็ไปจิตมันก็พยายามแยกแยะเหมือนกัน ว, ว่าวิธีคิดแบบพุทธภาษาแบบพุทธกับวิธีคิดแบบคิสหรือว่าของแลนด์มาร์กที่กําลังนําเสนอปรากฏว่าส2ตัวเราก็พยายามที่จะเหมือนกับว่า ปล่อยให้จิตมันทางานของมันว่ามันเข้าใจอะไรอย่างเช่นว่าก็พูดถึงเรื่องว่าให้เราเนี่ยสังเกตดูประจุไฟฟ้าในสมองของเราเวลามีความคิดเนี่ยประจุไฟฟ้ามันจะทํางานของเราคือรู้สึกในขณะที่คิดนั่นเองเวลาเราคิดไม่ดีพูดเกิดขึ้นมาจะเห็นกระแสะของไฟฟ้าประจุไฟฟ้ามันทำงาน พยายามให้เราหลบมาอยู่กับตัวที่เป็นความคิดดีสร้างสรรเป็นฝายบวกรเราสังเกตดูออภาษาของเราก็คือความคิดที่มันเป็นความคิดไม่ดีความคิดที่ดีรหรือว่าสร้างโจทย์ขึ้นมาให้เราตั้งใจคิดดีขึ้นมาของเราก็คือโยนิโสมัสิการอยากแย่คุณค่าแท้เป็นไงคุณค่าเทียมเป็นยังไงคิดแบบปลุกเราคุณธรรมเป็นยังไงกเจตนาคิดขึ้นมา หน้าที่แต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างเงี้ยเช่นนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยอย่างเงี้ยขนาดนั้นคนสี่ร้อยคนก็ไม่ได้ลุกไปไหนกันเราปวดแล้วเราก็ดูว่าเออจะต้องเกี่ยวข้องกับ ก, ก, กรารกระทำของเรายัางไงต่อไปอันนี้เป็นการสัมผัสรู้ตรง ๆ, รงๆไม่ต้องคิดแต่จะคิดก็คือควรไม่ควรอย่างไรตอนนี้เขาหลังพูดถึงตรงไหนแล้วกลับมาจะตามก็ทันไหมมันก็คิดแบบนั้น ถ้าขาดสักนิดเดียวนะก็ถือว่าเราก็เสียโอกาสนะไหนๆก็มาแล้วควรเต็มเน็ตเต็มหน่วยมันก็ไข้ควรแบบนี้ก็เรียกว่าโยนที่โสงสิการแยกเยะได้ว่าต้องทนต่อไปนะกเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบหน่อยหนึ่งหรือว่าอาจจะมีลักษณะของตะกอนหินปูนตกผลึกไทนะยส่วนใหญ่เป็นนิวก็ได้แต่ว่าแลกกันเนะพราะงานบางงานต้องทุ่มเทโดยชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ทาแบบนั้นกันมาแล้วหลาย หลายหน้าที่หลายหลายๆประสบการณ์ที่เราก็ทุ่มเทมาแล้วนั้นเลือกตรงนี้อีกนิดเดียวไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็เกิดการอยากแยะควรไม่ควรคว ร, ควรไม่ค ว, ค, วควรชั่งน้ําหนักดูใตสุขกาเลือกที่จะทําที่สิ่งก่อประโยชน์ตนมากที่สุดเป็นประโยชน์ท่านมากที่สุดอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกระบวนการของโยนิสงมาติการเจต น, นาคิยของเราก็เป็นภาษาภาษานึ่ง ของฝรั่งก็เป็นอีภาษาหนึ่งแต่ว่าก็คือสิ่งเดียวกันเราก็สามารถตามบทเรียนได้เข้าใจได้ในสิ่งที่กําลังสื่ออย่างนี้ก็จึงไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคนในโรคนี้จะต้องข้างไกลหรือว่ายึดติดดีที่ตัวเองเป็นเช่นเรื่องของศาสนาะพูดคิดอิสลามฮินดูหรือว่าเพศวัยเป็นโยมเป็นคราวาสเป็นอะไรก็ตามนะ ฐานะอาฐานะสกุลลุนชาติหรือว่านะเรื่องของนะดีกกีทางการศึกษาหนะ้าที่การงานต่างๆแต่เป็นเรื่องของสัจจะความจริงที่ทุกคนก็มีความทุกข์ทั้งหมดนะตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้คำตอบในชีวิตนะวัตถุหนึงสองสามก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะบุคคล1 2ึงสองสามก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานะมันมีแต่ตัวเราจะต้องทำประโยชน์ตนนะช่วยตัวเองให้ได้ซะก่อนนะ แล้วท้ายสุดก็คือเกี่ยวข้องโลกกว้างทะลุทะลวงไปในทุกๆของเสี้ยววินาทีที่จะต้องมีเหตุปัใจจัยให้เรานะเหมือนกับว่าต้องผเผชิญนะไม่ใช่หมายถึงว่าเราเลือกนะแต่หมายถึงว่าเราต้องผเผชิญนะมันปฏิเสธก็ไม่ได้รับก็ไม่ได้อย่างกรณีที่เขานะให้ไปเข้าร่วมคอร์สเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นคอร์สที่ดีที่สุดในะกระบวนการนะ อบรมวิธีการกรรมวิธี40ปีก็สรุปมาเป็นคอรเนี่ยคอรเดียวการที่ให้คนเข้าถึงแล้วคนสามารถเข้าถึงได้มากถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ธุรกิจนี้โตที่สุดะจะเจริญเติบโตที่สุดโดยเฉพาะในหมู่ของพุทธาบริษัทที่เข้าวัดเข้าวาแล้วไม่เข้าใจว่าพระพูดเรื่องอะไระแต่พอไปฟังพลังแล้วเข้าใจได้เป็นภาษาเลคเชอร์ภาษาของผู้ที่เรียนมหาวิเลยนะ แล้วก็เป็นคนที่นะฟังศัพท์สมัยใหม่มันไม่ใช่เป็นภาษาบาลีแล้วก็พูดเมื่อ 2,000 ักว่าปนะีฟังไม่เข้าใจนะบางทีก็ว่าเราเป็นอนุรักษ์นิยมหรือว่าจิตนิยมนะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราเป็นลักษณะของกันไปอยู่ตรงนั้นภาษาของเขาเราก็ฟังของเขานะอะไรเข้าใจได้เราก็ฟังนะอะไรเข้าใจไม่ได้เราก็ฟังผ่นานๆไปนะนะก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าต้องทําความเข้าใจนะ ในทุกๆภาษาเพราะนั่นหมายถึงว่าเรากำลังนะเหมือนกับว่าปล่อยให้จิตของเราเนะี่ยไปอยู่กับความคิดเราทยเสือคือเป็นความทุกข์นั่นเองคิดแล้วเข้าใจก็ยิ้มคิดแล้วไม่เข้าใจก็กลายเป็นเรื่องของต้องทบทวนต้องตอกย้าตัวเองหรือไทายสือก็คือต้องสอบต้องถามอะไรเราไม่ได้วางใจแบบนั้นเราวางใจแล้วนะเป็นความรู้สึกตัวตรงไหนก็คือความรู้สึกตัว ตัวนี้ก็คือตัวกายของเราก่อนนะหรือว่าตัวเวทนาที่มัาลองปรากฏหรือว่าตัวจิตตัวจิตที่ปกติหรือตัวจิตที่มันผิดปกตินะหรือว่าตัวของธรอารมณ์ต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆนะหรือว่าบางทีนะความง่วงเหงาหานอนนะความแจ่มใสภายในความเบือ่อนะมันปรากฏออกมาเราก็ได้เคลียร์ตัวอ่องอยู่ตลอดเวลานะ หมายถึงว่าสติปัฏฐานก็ททำงานของเขาอยู่ก็จะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกช่วงสองสามวันที่ผ่านมาที่โรคนี้มันมีอะไรให้เราได้เหมือนกับว่ารับรู้เรียนรู้เราก็รับทราบไว้ไม่ได้ด่วนรับไม่ได้ด่วนปฏิเสธอะไรเหมือนกันจะอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันจะนั่งรถ เห็นอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องของวัตถุอาการนะเป็นเรื่องของประลตสภาวะที่กําลังปรากฏนะสิ่งที่ปรากฏภายนอกและภายในกนะริยากาอาการสอดคล้องกันอย่างไรนะแต่กระทบรูปนะเราก็มาได้เป็นความพอใจไม่พอใจก็รู้อยู่เห็นอยู่นะอย่างเช่นมีเมื่อวานช่วงบ่ายนะว่างอยู่ก็ก็พาไปที่นะรัตนโกศล นิทัตรัตนโกสินทร์ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆ ก, กับพระบรมหาราชวังแล้วก็ภูเขาทองนลังระแวกนั้นเป็นตึกอนุรักษ์อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วก็นำมาดัดแปลงเป็นห อ, อนิทัศการที่นั่นก็พยายามสร้างจุดสนใจต่างๆไดว่าราชวงศ์รัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมารัตนโกสินทร์ ซึ่งก็เป็นการสร้างงานร่วมสมัยระหว่างไฮเทคโนโลยีนวัตรกรรมจีโนมะิกส์นาโนเทคใส่เข้าไปแนะต่ละห้องแต่ละห้องการ์ลังการผอสมควรนะแล้วก็ยกสมัยโบราณนะซึ่งเป็นเรื่องราวโบราณเนะข้ามาพันหวกเข้าด้วยกันก็พยายามเดินไปก็ดูจิต ด, ดูใจของตัวเองไปแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ที่เขาพยายามนำเสนอเงีนะ้ยก็เห็นเป็นความรู้ที่ตื่นตัวนะ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเรื่องของตื่นเต้ น, นเหมือนกาเมื่อก่อนสมัยก่อนที่เราไปดูอะไรที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่ามีมิตนะิต่างๆที่พยายามถ่ายทอดให้เรารับรู้ซึมซับเดี๋ยวนี้มัน4มิติ5มิติอย่างเงี้ย่างเช่นว่าก็พาไปห้องที่นะ เป็นดูยุคสมัยก่อนตั้งแต่เป็นเรือตามคลองแสนแสบหรือว่าคลองต่างๆหนึ่งเทพซึ่งเป็นบรรยากาศอยู่บนตึกก็กจําลองให้เราขึ้นไปที่ท่าเรือแล้วก็นั่งลงไปเรือก็จะมีไฮดรอลิกโยกแยกแล้วก็เคลื่อนที่ไปสักพักหนึ่งเรือลํานี้ก็จะแปลสภาพเป็นรถล่างเป็นรถลอดลางก็ทําหน้าที่ขับเคลื่อนแบบรถรางไป แล้วก็สองข้างทางก็เหมือนกับยุคเก่าสมัยเก่าซึ่งเป็นลักษณะของอกันนำเสนอแบบโปรเจคเตอร์ที่เป็นสมัยใหม่เหนะมือนกับภาพที่มันดุโนนออกมาแล้วก็สัมผัสได้ด้วยมืออะไรเงี้ยหรือบางทีไปดูอีกห้องหนึ่งเป็นรักชกาลที่9นะก็เกิดในหลวงเราเาี้ยนะ นะก็กมีเฮลิคอปเตอร์นะบินก็ทําเหมือนกับลมมันออกมาจากเฮลิคอปเตอร์จริงๆลมก็เป่าสู่ตัวเราเหมือนลมจากใบพัดเนีปุบบปุบ ป, บ ป, บปบุลมก็เป่ามาโดนตัวเราแล้วฝนก็ตกมาในหลวงก็กลางล่มยืนอยู่ตรงหน้าของเราแล้วก็เหมือนเม็ดฝนมันก็กระเด็นตกลงมาจริงๆน้ําถูกปล่อยมันเกิดขึ้นเหมือนกับเป็นมิติ ที่เราสัมผัสได้จริงๆ4ิหมิติสมัยก่อนดูหนังก็แค่มิติเดียวตอนหลังก็เปลี่ยนเป็น2มิติแล้วก็สามิติจนทั้งเป็นสี่มิติห้ามิติละมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เห็นแค่รูปธรรมนามธรรมเราก็สัมผัสแบบนั้นจิตของเราอ๋อมันมีอย่างนี้แล้วเนาะโลกยุคนี้นก็เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ถึงมันจะทันสมัยขนาดไหนก็ตามดีสักสิปีก็น่าก็คือล้าสมัยเทคโนโลยีใหม่ก็เกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่เพียงรับรู้ว่าอ๋อมัมีอย่างนี้ขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดนี้มันก็เป็นการท่องโลกกว้างก็เลยเข้าใจอ๋อพระมลัยท่องโลกนมัจะมีลักษณะอย่างนี้กระมังก็คืออยู่กับเทวดามันก็เป็นเรื่องของเทวดาก็อยู่กันอย่างนี้น้อ ไฮโซนะเต็มที่แล้วทางด้านวัตถุนิย ม, มก็แค่นี้ละ น, นะมีความสวยงามที่สุดของดาราก็เป็นแค่นี้ละ น, นะเดี๋ยวไต้ซูแก่ก็เหี่ยวนะอย่างเช่นฉากหนึ่งก็มีฉากของการ น, นําเอาจุรนะีโอซิลินักภาคมาภาคฉากหนึ่งก็คือเป็นฉากที่นั่งคุยกับหลานลิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาจะเล่าเรื่องทั้งหมดของ รัตนาโกสิลป์แต่เราก็รู้ดีว่าจุลีโอสิลป์ก็ตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรา ย, ยาไทยสุด80 ป, ปี่างเงี้ยก็ตายไปแล้วหรือว่าที่เราทราบข่าวอยู่ตอนนี้คือแม่จาย์กัมพลก็ตายไปแล้วก็ทําให้เราลึกลอยว่าเออสมัยหนึ่งเคยไปอยู่สุขโตนะ้เป็นคนที่ดีงามมากแม่จาย์กัมพลหน่าก็คล้ายๆกับสมเด็จย่าเราเนี่ะ จอดูแลลูกอย่างดีนะไม่เคยดูไม่เคยด่ยดานะไม่เคยว่าให้อาจารย์กำพลเหมือนกับว่าหนักอกหนักใจนะเจ็บอกเจ็บใจอยู่แบบมีศีลมีธรรมตั้งใจแบบทำนะก็เป็นครูทุกครูยกร่กับหลวงชิตนะพ่อของอาจารย์กำพลซึ่งก็ถึงแก่กรรมนะไปเรียบร้อยแล้วนะแม่อาจารย์กำพลก็เดินจงกรม บางทีมีนกในวัดป่าสุกตัวนร้องฟังก็จิตปวงปงแต่งแต่งไปแกบอกวันนี้นกร้องเนเวลาไปยกมือสั่งแกวนกมันร้องบอกตลอดยชิดตลอดชิดใรอตจชิดใรอตจชิด่งมันก็ร้องไปฟังโดยแล้วมันก็ปงปงแต่งแต่งดีเนาะคิดถึงลวงชิตเนาะองกก็เลอยฟัง ทีนี้แกก็ตั้งใจนะอยู่วัดป่าสุโขตั้งใจที่จะเดินจงกลมยกมือสร้างจังหวะแล้วก็เป็นคนสะอาดนะคุตินิ้วเจ็ดถูทุกวันก็ถามว่าทําไมชอบขยันเจ็ดถูเนีย่ยหล่อแกก็ตอบว่านึกถึงเรือสมัยอยู่เรือนะเรือจะต้องมันอยู่ตลอดเวลาจะต้องลงแว็กอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวน้ําซึมแล้วก็เรือก็จะอายุสั้นนะผุเรือก็จะรั่ว ต้องคอยดูคอยเช็ดเนะก็เลยติดนิสัยมาอยู่กติก็พยายามทุกซอกทุกมุมก็เป็นระเบียบหมดเช็ดตูสา ส, าสาันตลอดเป็ลำเวล า, าทีนี้ตอนหลังก็คืออาจารย์กำพลก็ไม่ได้อยู่ที่วัดป่าสุขตัวนะสอนหนึ่งก็สร้างให้อาจารย์กำพลได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับพ่อนะเป็นห้องใหญนะ่แล้วก็อยู่หลายคนได้มีนอกฌานนะ เวลาคนมาสนณาธรรมกับอาจารย์กำพลก็จะได้มีพื้นที่สนณาธรรมเดี๋ยวนี้กลายเป็นกฎเฉยๆกฎหนึ่งในสุขตัวสมัยก่อนอาสุดหรูทีนี้ตัวหลังก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปอยู่กับลูกสาวที่เป็นอาจารย์สอนเป็นผู้นดยกา ร, รลูกเขยก็ไปอยู่กับพี่สาวอาจารย์กำพลไปอยู่ด้วย ทีนี้พี่สาวหรือน้องสาวจำไม่ได้แล้วก็ น, นี่ก็ไปอยู่ด้วยกันกับ น, น้องน้องเขยอัอนนี้นเป็นน้องสาวแล้วน้องเขยทีนี้พอไปอยู่ที่นั่นก็เลยแม่ตอนหลังก็เดินไม่ไหวแล้วนะก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกแล้วก็ไม่สบายหนักตอนหลังก็เลยใสย่สายยางให้อาหารทางสายยางแล้วมีออกซิเจนก็ไปเช่าบ้านอยู่มีจติธรรมที่ มีความรักมีความมรรคมีความศรัทธาจาันกะัมพลนะแล้วก็มีความซาบซึง้งในครอบครัวนะต่องบนนุ่มนะีก็เช่าบ้านให้อยู่ที่เชียงใหม่มีโอกาสไปเชียงใหม่ก็ไปเยี่ยมท่านนะครั้งสุดท้ายนะที่ไปเยี่ยมท่านก็เออไปมาหาสู่ท่านก็จําใครไม่ได้นะส่วนใหญ่นะแต่อาจจะจําอาตมาไดนะ้พอไปถึงปับก็ชี้หน้าก่อนเลยชี้หน้า พูดไม่ได้นะแต่ชี้หนาก่อนแล้วก็ยิ้มแบบสดชื่นแนะคล้ายๆกับคนเคยสัมผัสสัมพันธ์กันไหมพระไตรทีก็ให้กาลังใจกัน ต, ตอนนี้ก็ทราบว่าเออนะียก็ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วนะก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเป็นะคนที่ใจเย็นยิ้มเก่งนะตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อมตัวนะมีความน่ารักนะ่าับบเข้าใกล้กัรู้สึกเย็น เราทีมกันที่สุดก็คือไทยสุดเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวนะต่อ ก, การเจ็บการป่วยนะสนุกสนานไปนทำใจได้เพราะว่าเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละมีกาครคล้ายๆกับาอาการที่มันไม่คล่องตัวไม่สะดวกในการใช้สังขารก็ปล่อ ย, ยวางเป็ น, นก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะพวกเราเ เราจะต้องชี้จะต้องนําอย่างเดียวญนาะติโยมนะก็สังเกตกันดูนะใครไปรทำํำจะเย็นนั่นแนหะก็เป็นครูที่ดีนะเป็นแบบเป็นอย่างเป็นต้นแบบที่ดีกับเราแล้วก็โอ้ยนะนึกถึงกันก็อบอุ่นกะ็เลยว่านี่อาจจะต้องไปหรือมั้งงานศพแม่ใจกาพลกนะ็ยังไม่รู้นะว่าจะไปกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกันแล้วกันนะวันนี้ก็พูดให้ฟังว่าความรู้สึกตัวมันก็ดีอย่างนี้และ ไม่ว่าจะอยู่ในวัดนะหรือว่าออกไปท่องโลกโดยจะเกี่ยวข้องกันอะไก็ตามบุคคลนะมันก็จะมีนะเรียวกว่าประสบการณ์ตรงครรล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันก็ว่าได้ก็คือความเป็นปกติจิตของเรานะีตัวนี้สําคัญหลวงพุท externally นนะไม่ได้พูดอ้อมแนะต่พูดตรงถึงว่าทุกของเราเนะี่ยทุกรนะกความคิดนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติอย่าห้ามความคิดนะ พยายามรู้ทันความคิดไอ้ที่มันผุดเกิดขึ้นมานะี่ยมันผุดเกิดขึ้นมาพยายามรู้ทันมนนะันแต่ว่าความคิดที่เราจะต้องใช้นะทํางานทําการอันนี้ไม่ทำไมห้ามเจรตนาคิดลงไปให้ตรงๆ ต, ต, ต, ต, ตรงนี้นะแต่ถ้าเราฝนะึกกรรมฐานอยู่นะีการเคลื่อนกันไหวอันนี้ยกเลิกไปก่อนไม่ว่าเจตนาคิดหรือว่านะความคิดที่มันทําให้เราทุกข์มาเก่าๆนะตั้งใจไว้เลยว่าให้รู้สึกตัวให้เป็นซะ ก, ก่อน จนกระทั่งมันเหมือนกับว่าเราอยู่กับกายจนกระทั่งมันคุ้นจนะิตใจมันทําได้เป็นปกติดีกับการเคลื่อนการไหวนะในรูปแบบนะเดี๋ยวๆถ่ายสุดภายนอกรูปแบบนะการเคลื่อนการไหวไม่ว่าจะเป็นกายที่มันเกิดขึ้นตามอัตโนมัติก็คือการหายใจการกระพริบตาหรือว่าท้องมันพองมันยุบอย่างเงี้ยหรือว่าเหลียวซ้ายแลกวาอะไรก็ตาม มันก็จะเป็นความรู้สึกตัวไปเองนะสติมันว่องไวขึ้นนะและวที่สำคัญก็คือมันจะไปลุกทันความคิดนะที่ละเอียดนะตอนนี้ก็คือเราจะได้หลักนะหรือว่าเรียกว่าวิปัสนาญาณมันเกิดเบื้องต้นนะท้สุดจะเห็นความเป็นโพธิเด่นขึ้นนาะทีขึ้นบางทีจะเห็นแบบปะปินปะพายว่ า, าแบบแบมแบมันก็ขยายผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยจนทางทางวันจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนนะอันนี้จะทําหน้าที่อะไรก็ทําไปนะมันก็เป็นความรู้สึกตัวนะ ก็พูดให้ฟังกลบาบมะพร้อมกัน